ก็อีกคำตอบหนึ่งสําหรับการความธรรมและการปฏิบัติธรรมว่าถามว่าทำไมเพราะว่าความจริงเราก็ไม่มีชีวิตไม่มีเวลานานพอสําหรับที่รออีกแล้วไม่มีเวลานานพอสําหรับที่จะรออีกต่อไปและเราก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติแล้ว พอมาถึงชาตินี้อีกทีหนึ่งเจอพระพุทธเจ้าโอ้ยโชคดีเป็นโอกาสอันเหมาะอันดีแล้วแถมมารู้สึกตัวตั้งแต่ยังไม่รู้มันยังไม่ตายวพาวันไหนที่ไปนอนติดเตียงนะไล่ลูกไ ล, ล่หลานเราไปเรียกหลวงพ่อมาบ้าหลวงพ่อมาให้หน่อยตอนนั้นหลวงพ่อไปก็ทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเท่าไหร่หรอกนี่ล่าสุดไปถึงชาวหนึ่ง เจ็ดวันไปทุกวันอะ่ะเจ็ดวันตอนแรกนึกว่าแกจะตายไปตอนไปถามวันแรกพอไปครบสามวันแกดันไม่ตายขึ้นมาจิตเกิดแข็งแรงเขาก็เลยนิมนต์ต่อไปกับพราสุวรรณไปนี่พาสุวรรณไปกี่ครั้งครั้งเดียวที่เหลือไปก็ลุงนึกเออเจ็ดวันถึงตายได้ยื้อกันพอไปถึง ทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงไงหาทางสอนไม่ได้หาทางปลุกให้เกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีจิตเป็นเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่เป็นของจิตไม่ได้ก็ต้องไปบอกญาติว่าเอาอย่างงี้เอาเหรียญบาทเหรียญสิบเนี่ยเหรียญสิบเนี้ยใส่ช่องฟิตเดี๋ยวใครสั่งไว้นะเดี๋ยวถึงเราจะบอกว่าพาหลวงพ่อไปเดี๋ยวจะมาก็จะได้ทําให้ <laughs> ใส่ช่องฟิตไว้อย่างเย็้นเลย แล้วก็แปะที่หน้าผากพอแปะที่หน้าผากมันก็สะดุ้งออกมาพอสะดุ้งก็อัดเสียงพุทโธใส่พุทธโธพุทธโธพุทโธจนนิ่งไปเอาไม่ทำอย่างงีเจ้าไม่ยอมตายตั้งเจ็ดวันฮะทำอยู่อย่างงั้นสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งแกมีปฏิกิริยานะ มีปฏิกริยาตอบรับได้ก็เลยอัดเป็นเสียงและทำเป็นออเตอร์รีเวิร์ดเปิดอยู่นั่นปุ๊บโตอยู่ตั้งวันนั้งคืนเปิดอยู่นั่นตั้งไว้ข้างหูพอช่องหูเปิดจิตขึ้นประเสวยอารมณ์ที่โสตวประสาทเมื่อไหร่เมื่ อ, อ น, นั้นก็ได้ยินเสียงปุ๊บโตปุ๊บโต พอจิตมีเครื่องอยู่ใหม่แล้วเนี่ยมันจะไปอาะไรมันจะไปนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงคนรักถึงครอบครัวถึงทรัพย์ถึงสมบัติอะไรก็ช่างพอกลับมามันไม่เฟ้ง่ยมันก็จะมาอยู่ที่เครื่องอยู่เนี้ยกลับมาอยู่ที่พุทโทพุทธทเมื่อจิตเคลื่อนจากกายดวงหลุดท้ายที่จะเคลื่อนจากกายมันจะมุนแล้วมันจะออกจากกายนี้มันจะทุกขเวทนามาก ในความทุกขเวทานานั้นถ้าจิตมีเครื่องอยู่นี่แม้มีกําลังน้อยในกุณฑลมดจะปวดแสนสางัดแต่มันก็จะพุทธโธโอ้ยพุทธโธพุทธโธพุทโธพุทธโธพุทธโธอยู่กับพ่อพุทธโธพุทโธพุทธโธพอมันเคลื่อนออกจากรายปุ๊บความเศร้าหมองของจิตจะหยุดลงแค่นั้นก็รู้แล้วค่อยมาต้องต้นใหม่กันชาติต่อไปอา้า ใช่ไหมแค่นั้นก็รู้แล้วคือไม่ไปนรกแต่ไปนรกมันยาวนานนู่นถ้าจิตเศร้าหมองไปแน่เพราะจิตเมื่อจิตเศร้าหมองเนี่ยมันจะระลึกถึงอกุศลบาปมันจะมาที่จิตนั่นจิตดวนสุดท้ายดับด้วยอกุศลตัวไหนมันก็ไปตัวนั้นน่ะอเพราะแตพอมีเครื่องอยูุ่ถูก โถแล้วมันมีเวทนามันเจ็บใช่ไหมพุเจ็บโอ้มันก็ยังพุทธโถพุทธโถจิตก็ยังพุทธโถพุทธโถพุทธโถพุทมันใกล้จะเคลื่อนมันก็จะเริ่มแยกออกจากจิตเหมือนกับน้ําที่กําลังเจะสเสด็จออกมาเนี่ยเหมือนจะดึงผ้าออกจากเราเราตากผ้าไว้ที่เราเนี่ยเราดึงผ้าออกมาเรื่อยๆใกล้จะหลุดออกมาเนี่ยใกล้จะหลุดออกมาเนี่ยมันยืมอันนี้เนี่ยพอหลุดออกมามันก็สบาย พริ้วสวัยองไปสุคติได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ให้กับจิตมัวแต่เจ็บปวดโอ๊ยโอยโอ้อมันเวียนกรรมอะไรของกูนี่ยเป็นอกุศลมาแล้ะมาแลยะบายแน่นอนคือถ้าจิตเศร้าหมองแล้วไม่มีเครื่องอยู่อันพองใสนี่ไม่มีตัวเลือกแล้วไปแน่ไปแน่แ วันนี่มันพิสูจน์ได้เห็นมาหลายหลายดวงแล้วก่อนนี่ของญาติของตกใจตกใจตกใจกันหลายคนเลยไม่รู้คนไหน <c oughs> นี่ญาติรัชนีน้องสาว okay. แกแกรู้ไม่เอาเลยนะเรื่องการปฏิบัติแล <c oughs> ้วจิตมันก็ผูกอยู่กับความเก็บกดเขาเรียกว่ามาร น, นะ <c oughs> เยอะมากในใจ แล้วก็จะมีโทสะเป็นจริตคนเราไม่รู้หรอกว่าจิตเรามีอะไรเป็นโทเป็นจริตมีความเก็บกดมีความโทสะเป็นจริตมีความหุดหกรมีความอาฆาตมีการจองเวนจะขวางลึกแน่นอยู่เป็นพื้นของจิตอย่างนี้นการปฏิบัติมันจะเจาะไม่เข้ามันจะเจาะไม่เข้าหรอกแล้วในที่สุดก็เกิด โรคขึ้นมาจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่แกจะตายไปโดยอ น, นี่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตายใช่ไหม <c oughs> อยู่ข้างๆอะ่ะยังไม่รู้ด้วยว่าตายเพราะว่าสติดีมากเพราะมันมีเครื่องอยู่ไงพอมันมีเครื่องอยู่เนี่ยเข้าใจกันว่าเครื่องอยู่ไหม <c oughs> พอมันมีเครื่องอยู่ปั๊บ แม้มันเจ็บมันปวดไอเราคนยืนข้าวป่วยอยู่เนี่ยรู้สึกสงสารเหลือเกินแต่ไอคนป่วยมันไม่ใช่รู้สึกบนหน้าสงสารนะเพราะมันมีเครื่องอยู่เออเวลามันมีเครื่องอยู่เนี่ยมีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมันก็เห็นเวทนาความปวดเวลามันปวดมากมันโอยโอยมันก็โอยอ่ะโอยมันก็ออกทางสีหน้าไอคนนี่ก็ยืนสงสารไปแต่ไอคนที่มันโอยแล้วมันก็มีเครื่องอยู่เว้ยโอยแต่มันมีเครื่องอยู่โอยแต่มันมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่นี้ก็จะอยู่ไม่ขาดเลย จนในที่สุดพอ ม, มันลึกลงไปแล้วพอ ม, มันลึกลงไปมันยังอยู่กับเครื่องอยู่อยู่เลยพวกนี้ครั้งหนึ่งพวกนี้ก็นึกว่าไม่อยู่แล้วพยาบาลหรือใครมาเรียกตื่นขึ้นมาคุยได้อีกรอบหนึ่งความเปลี่ยนแปลงแปรป ร, ปรวนของจิตกับกายไม่เหมือนกันอืม นี่พวกนี้กำลังสนใจเป็นพิเศษปรึกษา ร, รุ่นกข้างหลังนี่ปรึกษากันเป็นพิเศษไม่นไม่ได้ฮะต้องทำนี่ก็เป็นอีเกเหตุผลหนึ่งเราจะต้องเปิดพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยการภาวนาห้าบท ว่าเราจะต้องภาวนาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นจำแฝงไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้โลกมีเรามีการเราจะต้องพระพรจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีการเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีเราจาทูตจะได้ชั่วห้าบทนี้เป็นคาถาที่จะต้องภาวนาทุกวันภาวนาแล้วได้อะไรพระเจ้าเรียกอภินาปัจาวเวก เรามันเชื่อพระเจ้าไม่จริงเราพิจารณาทุกวันที่มันจะได้อะไรตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ทันแปลงควันเลยเรามีความแก่เป็นธรมมดาลุงนความแก่ไปไม่ได้จะรู้สึกว่าชีวิตโหดหู่มากเลยนะ <laughs> ในขณะที่โลกมันควรจะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปลงควันผัดหน้าทาปากเ อ, อวาดคิ้วเขียนขนตาอะไรนี่หลวงพ่อสอนอะไรเนี่ยเช้าขึ้นมาแค่คิดว่ เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วนิควังอัตมานำโยมพูดอย่างนี้โยมรู้สึกตามครั้งแรกเนี่ย อย่รู้สึกแปลกๆ แ, แต่ลองคิด ด, ดูดิถ้าเช้าขึ้นมาตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาบนที่นอนเสร็จเราหาเก้าอี้ก็ได้นั่งไปนั่งเงี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงผลความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงผลความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงผลความตายไปไม่ได้เรามีเราจะต้องพราดพราดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตัวเราทําดีจักได้ดีทําชั่วจักได้ชัว่ว เสร็จแล้วลุกขึ้นอาบล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ํางองแต่งตัวแต่งตัวไปเสร็จตกเย็นกลับมาไงพอตกเย็นกลับมาเสร็จเรื่องเสร็จเราอาบน้ําอาบต้าแปรงฟันใส่ชุดนอนแล้วไม่รู้จะทำอะไรนั่งกอดนอนนั่งเก้าอี้อีกตัวเดิมอเรามีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของตัวเราทําดีจากได้ดีทําชั่วจากได้ชั่วปุ๊บสร็จแล้วลุกขึ้นเดินไปเตียงนอนหลับไม่หลับช่างมันพอตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวเร า, เรามีความแก่เป็นธรมนธรมดาถ้าเราทําอย่างนี้เราคิดนึกภาพตามดูเนี่ยเอาแค่คิดก่อน ทำอย่างนี้สักครึ่งเดือนจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม่ใมันจะเกิดความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญความเด็ดขาดความแน่วแน่ของจิตที่เป็นพลังอย่างมหาศาลเลย <c oughs> ในเมืองต้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่เดิมแต่เดิมนะเราเห็น เดินมาปั๊บเนี่ยถ้าเราเจองูทักตัวอยู่ตรงนี้เป็นไง <c oughs> วิ่งเหรอ <c oughs> วิ่งทันไหม <c oughs> นอกจากวิ่งแล้วกระโดดตกใจด้วยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเราดูงูตัวเนี้ยอยู่ไกลแค่พอมองเห็นจุดตาเราเนี้ยเราดูมันอยู่ <c oughs> ดูมันอยู่ ดูมันอยู่เรื่อยๆเราจะต้องเข้าใกล้มันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูมันอยู่เรื่อยๆดูมันอยู่เรื่อยๆดูมันอยู่เรื่อยๆความตกใจกับการอยู่ๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันไหนอันไหนมากน้อยกว่ากันอะฮะความแก่เป็นความจริงไหมฮะเรานึกดูว่าเราท่องทุกวันเช้าขึ้นมาความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พอตกเย็น เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พอรุ่งอีกวันเช้าขึ้นมาเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ตอนเย็นก็งี้วันเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เช้าขึ้นมาเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่ามายืนหน้ากระกหวีผมปุ๊บเห็นตีนกาขึ้นมาเรียมนี้เป็นไงอะไรออกมาอะอะไรออกมามันจะอะไรก็แล้วแต่ในสุดท้ายตัวที่เป SO ็น <Furthermore, S 2> <French> ความรู้กับจิตที่ทําอยู่เป็นประจําเรียกว่าภาวนาคือจิตถูกจับการอบรมเรื่องสัจจะขอ้อนี้มันก็ออกมาอ๋ออันนี้เองที่มีความแก่เป็นธรรมดาฮะโอ้ยควันหักปวดควันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนถอดมาหัปวปต้องเสียเงินเสียทองเดือดร้อนเครียดกุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจเสร็จแล้วพอถอดเสร็จแล้วกลับมาถึงสุดท้ายความรู้ที่จิตถูกอบรมมันก็จะออกมาว่า อ๋ออันนี้เองความแก่อเอา้าอยู่ๆไปตรวจทุกวันทวันทุกวันทุกวั น, วนหมอบอกเอา้าเป็นโรคนั้นเดือดร้อนเคียดสุดท้าย ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันจะไปไหนมันจะกลับมาสู่จิตที่ถูกอบรมมาทุกวันทุกวั น, ว, นว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้ถ้าจิตไม่เคยถูกอบรมไม่ได้ภาวนาคาถามาห้าบทนี้นะ เมื่อมันเกิดแล้วมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ภาวนาไปเอยภาวนาไปเอยภาวนาไปเรอยพระเจ้าถึงสอนว่าเป็นอภินัน ป, ปัจเจเวกเอามีความตายทีนี้เรารู้แต่ความตายมันคืออะไรความตายคือการพัดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเมื่อจิตดวงสุดท้ายในขณะเนี้ย เราท่องทุกวันะเช้าขึ้นมาก็มรณะธรรมโบมีมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้พอตกเย็นมรณะธรรมโบมีมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้รุ่งเช้าขึ้นมาเป็นไงรมรณะธรรมโบมีมรณนะนาตีเราท้องหลวงพ่อสอนให้ท่องในเรื่องตายต า, ย ต, ายตายเป็นอัปมงคล <c oughs> แท้ที่จริงมันคืออะไร <c oughs> โคตรจะมงคุลเลยจะบอกให้ มันเป็นมันเป็นซูเปอร์อภิมหามงคลเลยแหละเรามีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพราะมันเป็นสัจจะมันเป็นนิยตธรรมมันจึงเป็นอภิมหามงคลเนี่ยการคิดถึงความตายสอนให้คนอื่นคิดถึงความตายก็เป็นอภิมหามงคลเพราะมันเป็นสัจจะเป็นนิยตธรรมนี่หมายว่ามาเป็นธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ ทุกอย่างเป็นของไม่แน่แต่ความตายเป็นของแน่ความทุกอย่างเป็นอนิยตธรรมคือเป็นของไม่แน่แต่ความตายเป็นนิยตธรรมคือเป็นของแน่แน่นอนใครว่าไม่แน่ยกมือไม่ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นการระลึกนึกถึงความตายทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องตายเรามีความรู้ในเรื่องการ มรณสติอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราป่วยมากข้านอนอยู่บนเตียงข้าวห้องโรงพยาบาลมันจะมาไหม ม, มันจะมาความรู้นี้มันจะมาอ๋อนี่เองมีความตายเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาจริงๆเริ่มเข้าไปเริ่มเข้าไปจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเวลามันจะตายจริงๆอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้ น, น, นี่เอง ความตายมันเป็นสัจจะของชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองจะทำให้จิตเป็นไงสะบบได้จิตที่สะบบในขณะที่ตายนั่นแหละคือความผ่องใสของใจกุศลมันก็จะตั้งขึ้นได้อะไรก็ตามในโลกนี้สิ่งที่วิจิตตการตาความงดงามความสวยรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นไปในโลกนี้เยอะแยะมากมายแต่มันไม่ใช่ความจริงไง มันมีความเพลิดเพลินมีนันีิมีความหลงให้เราเพลินอยู่กับมันแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่มันไม่ใช่ความจริงเราจะเอามาเป็นสาระมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยต่อเราไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นไปได้ไหมไม่เป็นเจ้าคุณตายไหมไม่เหลือหรอกนน<รา>ันัะนะนะนะจะจกกะเกษียณเดือนปีนี้ดนเดือนหน้าเหรอไหมเห็นแล้วใช่ไหมมันไม่เที่ยงตอนเราอยู่โอ้โหเป็นใหญ่เนาะ ลูกน้องอโอ้คนนู้นก็ยกคนนี้ก็ยกมายาทั้งนั้นแ่ะเสร็จแล้วมันก็หายไปเสร็จแล้วมันก็หายไปไม่ต่างแม้แต่ชีวิตนี้เหมือนกันทุกอย่างที่มีที่เป็นอยู่มันก็แค่มายาอย่างหนึง่งเสร็จแล้วมันก็หายไปเสร็จแล้วมันก็หายไปเหมือนกันหมนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คาถาห้าบทของพุทธเจ้าสาคัญเลย ช้าขึ้นมาก็มรณะธรรมบรมมรณะทีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาลุงพ้นความตายไปไม่ได้ทําเป็นอย่างนี้สักเดือนสองเดือนสามเดือนสักครึ่งปีโอ้โหยไอนางที่ดาช่างหูกะเคยได้แล้วใช่ไหมเคยได้ยินบ่าเล่าไอความอะไรดีเหนื่อยเกยนเล่าอ่ะอ อือไอ้ที่ดาช่างงูก็นแก ค, คิดอยู่แต่อย่างนี้แหละแก ค, คิดอยู่แต่เรื่องว่า อ, อมารณะธรรมบุญมีมรณะธรรตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ชีวิตของเรานี่อัตวังไม่ยั่งยืนอวาวะั้งไม่แน่แท้ไม่เทียงแท้แก ค, คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดจนกระทั่งความรู้สึกความเชื่อในสัจจะตัวเนี้ยมันอยู่กระเจดอยู่ตลอดเวลาช่วยพ่อทํางานเนี่ย คือคิดอยู่อย่างนี้ภาวนาเนี่ยเรียกว่าคิดภาวนาอยู่อย่างนีจน้จนดังมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าสุดท้ายจะไปควังเทศจากพระพุทธเจ้าไปควังเทศจาก พ, พุทธเจ้าพ่อก็จะใช้งานให้ไปส่งผ้าแต่พระพุทธเจ้าก็มาเทศอยู่พอดีจะทำยังไงนี่นะเอาเป็นว่าเราต้องไป เป็นตามลำดับตามความสำคัญถ้ามัวแต่เอาไปควางเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ไปทำงานให้พ่อพ่อก็จะตีเราดุเร า, เรานั้นเราเอาผ้าไปให้ลูกค้าด้วยแต่ในระหว่างทางผ่านพระพุทธเจ้าเราก็ไปคว่างทำก่อนอไปคว่างทำพระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องนี้แหละจนได้เป็นโสดาบันเลยแล้วก็กลับมาเอาผ้ามาคืนให้พ่อมาถึงพ่อแล้วไง พ่อเนี่ยปันไอเนี่ยทําเครื่องทอผ้าอยู่เนี่ยมันมีคันคันถวยมาเงี้ยมันแหลมคันเนี่ยมันจะมีมือจับมือจับนี่เพื่อที่จะดันมึงเนี้ยพอดึงไปดึงมาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเครื่องยนต์เลยมันมาจากมือขับใช่ไหมไอเครื่องทอก็ดึงไปเงี้ยพอดึงไปนี้ไอนี่ก็ขับเคลื่อนทําให้คันเฟืองพวกนี้หมุนหมุนเสร็จมันก็ทอไปด้ว่อยต่อไปเลยเงี้ยแล้วแก่หลับ หลับแล้วมือก็พาดอย่างเงี้ยไอ้นางนางี่ดาชักหู ก, กลับมาถึงเออพ่อหลับค่อยๆแอบๆพ่อรู้สึกตัวตื่นมาตกใจผลักไอเนี้ยเข้าไปมันแหลมอยู่มันแทงลูกตายี่ดาชังหูกอ้นั้นแทงปับ๊บจิตดวงตัวตายก่อนตายยิ้มเลยเห็น ไ, ไหมตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อตอนที่คุณจะตายคุณจะยิ้มกับมันได้เปล่า ยิ้มเลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะมารู้ว่าโอ้ยมันมามันเกิดขึ้นแล้ว ม, มันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าไม่มีวิชาพระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาไม่มีอบรมฝึก จ, จิตไม่เคยฝึกฝนการอบรมเมื่อมันกล้าจะตายเป็นยังไงเศร้าหมองมันดิ้นรนที่จะไม่ตายแล้วมันรอดไหมไ ม, ไมันจึงเหือดแห้งโศกาอาดุล เมื่อซามองมันไปไหนไ<ป>เออตอบเก่งงั้นนักหนาอันนี้ต้องพิจารณาต้องอบรมดังนันการการระลึกพิจารณาถึงคาถาห้าบทของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากมันจะปรับทัศนคติของเราดึงจิตเราได้ด้วยแลวเราก็จเจริญสติควบคู่กันไปสติที่เรามีอยู่มันจะทำให้การระลึกของเราเข้มแข็ง มีกำลังที่แรงขึ้นแล้วเราไปพิจารณาเนี่ยโ้ยก็ลองลองดูดิถ้าคนที่มันรักสวยรักงามอ่ะอ้าวคนรักสวยรักงามคนที่รักสวยรักงามเ้าบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามันจะสลุดมันจะสยองอ่ะมันจะสยองปะล่ะ คนรักสวยรักงามโอ้ยมันต้องลงทุนไปเกาหลีต้องหมักขี้โคลนต้องโอ้ยสารพัดอย่างพอมาถึงบอกเรามีความแก่เป็นธรรมะมันนึกภาพเห็นไหมนึกภาพสิหนังเยียวหลงังโกงครองคดห น, น้าย่นจะหมูกลุมควันไม่ใช่งาควันเกลี้ยง นึกภาพสิโอ้โหพอตอนเราอายุยี่สบสี่ยี่ห้าเนี่ยวัยวัยเต็มพิกัดกัาานนะพอเริ่มยี่สิบกยี่เจ็ดมาแล้วกระจกสองพวกรักสวยรักงามมันกระจกสองปุ๊บโอ้โหเห็นตีนกานิดเดียวนะมันเดือดร้อนมากพวกรักสวยรักงามเห็นสิวเห็นฝ้าเห็นไฟเห็นจุดอะไรด่างๆที่บนใบหน้านี่มันโอยมันเดือดร้อนมาก แต่พผ่านไป3 0ม1 3บส4มสเมบสองสมสี่สห้าป็นไงกูชินนะมึงจะเป็นยังไงก็ออาไปนี่มันเป็นอย่างนี้ทานสิ่งใดที่เป็นความจริงเราต้องกล้าสำหรับที่จะเปิดใจเราของเรายอมรับแต่การที่จะเปิดใจให้กล้ายอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมนุษย์เราจึงต้องเป็นทุกข์ ความจริงว่าเราจะต้องแก่ความจริงว่าเราจะต้องเจ็บป่วยความจริงว่าเราจะต้องตายความจริงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักทั้งปวงเลยจากของรักไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์สินเราจะต้องพลัดพรากจากเขาไปนี่เป็นความจริงความจริงว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของกรรม ความจริงเหล่านี้มันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกะเราแน่ๆและเราเป็นทุกข์อยู่กับอะไรเราก็เป็นทุกข์อยู่กับเรื่องทั้งน้าเรื่องนี่แหละเราเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องของความแก่เราเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องของความเจ็บเราเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องของความที่เราจะต้องตายหลายคนอาจจะฟังแล้วเถียงว่าเราไม่ได้เป็นทุกข์กับเรื่องของความแก่จิงรืฮะถ้าเราไม่ใช่ทุกข์กับความแก่เราต้องไม่แก่ อ๋อแล้วมันจริงไหมไม่จริงความแกจะนำความทุกข์มาให้กับเราสองเรื่องหนึ่งที่เคยบอกไอ้ควังลดกำลังเราลงทุกวันนี่อายุเท่าไหร่จ๊ะห4สิบสแล้วเหรอโอ้เยอะจังหกสบสี่ถอยหลังกลับไปเมื่อส0สิปีที่แล้วยกของได้กี่กิโล เยอะเออกี่กิโลส0สิบนะนี่อายุเท่าไหร่หกสิบสี่ยกได้กี่กิโลโลเดียว <c oughs> หายไปตั้งยี่สิบเก้าโล <c oughs> มันหายไปไหนอะไรลดไป <c oughs> อะไรลดไปอะไรทำให้กำลังลด ชารานี่แหละมันลดกำลังเราลงทุกวันตอนนี้เหลืออะไรนะประมาณหนึ่งเรเดียวแล้วมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆฮะนอกจากว่าเขาลดกำลังเราแล้วเขาทำอะไรอีกนำโรคมาให้เราตอนนี้มีกี่โรคจะ๊ะจริงไม่มีเลยอ๋อมีอยู่โรคเดียวพอแล้ว โรคเดียวคือโรคอะไรโรคชาราโรคอื่นนะก็สมมุติชื่อเรียกนอกจากนั้นก็คือโรคเดียวเท่านั้นแหละโรคชารามะเร็งก็คือโรคของชาราโรคชาราทั้งนั้นนอกจากนั้นก็สมมุติชื่อเรียกเอาว่านั้นมะเร็งไอ้นั่นหัวใจไอ้หนี่ยอนวลหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจมันชาราเปะละ่าเพราะหัวใจมันเต้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่มันไม่เคยหยุดในขณะที่เตน้นมีการสึกหรอและก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลา ใช่เป่าเต้นทีมก็สึกรอไปทีมเต้นทีมก็สึกรอไปทีหรือหัวใจของใครเต้นแล้วไม่สึกหลอแม่ฮะหัวใจเต้นทีมก็สึกรอไปทีแม่แต่หัวใจเทียมเต้นทีมก็ต้องสึกหลอไปทีเพอเต้นทีมสึกรอไปทีนั่นทําไมมันต้องสึกหรอเพราะมันชรา และเขาเรียกว่าโรคหัวใจมีตั้งหัวใจรั่วหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจลินหัวใจหัวใจโตเส้นเลือดหัวใจไตอะไรกูเยอะแยะมากมายที่ชื่อว่าหัวใจแท้จริงมันเป็นโรคอะไรเออนั่นนชารามันไปว่าความเสื่อมมแหละเพราะฉะนั้น เราทุกข์อยู่กับเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นความจริงเพราะพระเจ้าเลยให้เราพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาพอนึกถึงเรื่องของความตายเด้โอ๊ยมรณะธรรมโบมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนติโต้ล่วงความตายไปไม่ได้นึกอย่างนี้ใกล้ตัวเองไหมไม่ใกล้เชื่ออะไรจ๊ะยืนหน้าก็ดึงเจ้ามาตอเชื่ออะไรนะ จินยืนข้างเตียงจินจุธาเอ้ย <c oughs> อ๋อใช่ไหมให้มันตอบันว่าจินจุธาเอ้ยตัวเองรู้หรือไม่เองมีความตายเป็นธรรมดา <c oughs> ล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้นึกในใจให้มันก็หึมอยู่ข้างในให้มันก็หึมอยู่ข้างใน ให้มันก็หึมอยู่ก็ในความตายอยู่ทุกขณะของจิตของการเคลื่อนไหวของชีวิตอยู่ทุกอณูของพื้นที่อยู่ทุกขณะของเวลาที่เคลื่อนไหวจําไว้นะจินจุทะบอกกับตัวเองอย่างนี้คือที่พระพุทธเจ้าให้เราภาวนาเพราะว่าอะไรเพราะให้ความรู้นี้มันแนบสนิทยอยู่กับจิตของเรามันไม่ใช่แค่ต้องมองรณะทำบรมิทําอะไรอ่ะสวดมนต์สวดบท ส, สวดบนแปล ด, ด้วยอ๋อสวดมนต์นะ มรณะธรรมบมีมรณงางนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ไอหลานตัวเล็กมันร้องแอ้แออยู่ข้างล่างแม่มันไปไหนวะหุดหิตอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าแบบที่ตะมาว่านี่หายหุณหิตเลยนะยืนข้างเตียงหลับตานิดนึงดูก่อนจินจุทาโอ้โหมันจัด กระหึมอยู่ข้างนอยนี่จะยอดเยี่ยมมากยิ่งกว่อาอภิมหามงคลเลยนะนั่นเราพิจารณาดูของพระพุทธเจ้าอย่างนี้รับรองทำปั๊บได้ผลปับ๊บนึกถึงระลึกถึงพิจารณาถึงกระแทกลงไปที่จิตของตัวเองจะให้ผลทันทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเราเข้าใจบอกลับไปถึงบ้านวันนี้นะดูเวลาเวรามันไม่มีคนเดี๋ยวคนจะตกใจ เอา้าเราไม่ใช่คนโง่นี่ใช่ไหมเราไม่ใช่คนโง่เราทำสิ่งที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเราแต่เราจะไม่สร้างความสนุกตกใจกับผู้อื่นไม่รู้อะบริหารเอาเองเข้าใจว่าเ <c oughs> ช้าขึ้นมาก่อนที่จะพาชีวิตนี้ไปเคลื่อนไหวอยู่บนโลกใบนี้ต้องรู้ไว้ก่อนก่อนจะออกจากบ้านหาที่เอ ง, เองต้องจำไว้นะ <c oughs> นันพ้พระพุทธเจ้าเวลาเทศพุทธเจ้าจะเทศดูสังเกตไหมดูก่อนภิกษุเพื่อต้องการให้ฟังแล้วให้กระกึงอยู่ในจิตดูก่อนภิกษเออุเข้าใจไหมจินยูธา <c oughs> อ้าวต้องพิจารณาอย่างนี้ <c oughs> เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะอย่างนี้แล้วถึงอัดถึงทำแน่รับรอง เพราะว่าเราสังเกตเวลาโบหะมันทำงานเ็าเรียกว่าโมหะเนยเยสุม oh ุจชิโตเวลาจิตเรามันจมปลักชุม่มแช่อยู่กับอารมณ์ของโมหะความหลงเนี่ยเวลาเราความหลงตัวเราเองนะเราต้องใช้เวลาเยอะมากใช้แล้วใช้อีกไม่รู้สึกเบื่อเวลาเราหลงกับความเป็นเราเนี่ย ต the ื you ่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าล้างหน้าด้วยอะไรฮะในตรงพูดทั้หมดเลยโฟมเอาหลังจากโฟมทำไงอีกฮะอะไรนะทาครีมเอานี่ยังไม่โบกตึกใช่ไหมเอาหลังจากนั้นทำอะไรอีก แต่ละอันแต่ละอย่างต้องเลือกมีแบรนด์มียี่ห้อดีๆนะต้องโหดูคุณสมบัติไอๆ ไ, ไอขวดที่เปิดเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ันยังมีอีกหลายขวดที่ตั้งรออยู่เปิดอยู่เนี่ยมันมาจากความหลงของเราทั้งนั้นทำไมมันจึงมีเจตนาและมีฉันทะในการที่จะเพราะอะไรพระเจ้าถึงบอกตันห้าทุติโยปุริโสธีฆมัตานะสังสารัง ในขณะที่เราต้องเที่ยวอยู่ในสังสา ร, รวัตรการเวียนว่ายตายเกิดนี้เรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันชื่อว่า mm hmm. อ๋ oh. อไหมตันห้าทุติโยปุริโซธิฆะมัตทานาสร่ารังอะไรเป็นเพื่อน <Yeah. S 1> ร่วมเดินทางของเราตันหาเพรา ะ, ะนั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลาไอ้ทั้งหมดน่ะที่มันประดิษฐ์ประดอยด้วยความหลงด้วยโบหะพวกนี้มาจากตันหา แล้วมันจะพาเราเราจะ่คิดว่าเราตายแล้วจบไอ้พวกที่ฆ่าตัวตายมีความทุกข์แล้วฆ่าตัวตายคิดว่าตายแล้วจบไม่จบเพราะอะไรเพราะเพื่อนมันยังอยู่อเพื่อนยังอยู่ไม่จบนะตายแล้วจบเพื่อนต้องไม่อยู่ไอ้เพื่อนคนนี้ต้องเอาออกไปถ้าเพื่อนคนนี้ยังอยู่ไม่จบพระพุทธเจ้ายัางเรียกว่า ตันห้าตุติโยปูริโสธิฆมัททานะสัางสารารังอิทภาวันยธาภาวังสร้างสารารังนาติวัตติเพราะฉะนั้นคาถาห้าบทจำไว้เราต้องหัดปรับตัวของเราและนาทีนี้นะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นี่เรื่องหนึ่ง ไม่มีใครหรอกเจนทุทาที่จะช่วยโยมได้นี่สมพรไม่มีใครช่วยสมพรได้ไม่มีใครนอกจากสมพรเองนอกจากเราเองไม่มีใครสามารถช่วยเราได้พระพุทธเจ้าก็แค่บอกว่าคาถาห้าบทเรามีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ท่องไว้นะโยมาแตมาเอาของพระเจ้ามาบอกโยมอีกทีนึง่งโยมฟังแล้วก็เจฉยๆทำเป็นตัวเป็นเหมือนมอความรู้จักเปล่าทําตัวเป็นเหมือนหมอความหมอความก็คือว่ า, ว า, ว า, ว า, วาพอพูดไปอย่างนี้ฟังหัวเราดชอบใจเข้าใจแต่เหมือนมอกความอ่ะมันราดลงไปบนหมอก <c oughs> มอที่ความอยู่มันก็หกเรี่ยราดอยู่ข้างม้อนั่นแหละไม่ใช้กินใช้ดื่มใช้ล้างอะไรไม่ได้ <c oughs> เหมือนกันพอลุกจากนี่ไปก็โลกมันเอาไปกินหมด ยิ่งเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในห้องอยู่ห้องนอ น, อ ย, อ, นอยู่ห้องน้ําอยู่ห้องหนังสือที่เป็นห้องส่วนตัวถือเป็นห้องลับเป็นห้องที่สงบเดีย๋ยวนี้ไม่มีอะตราบใดที่ไอ้โทรศัพท์มันตามก็ไปตรงไหนได้นะตรงนั้นตรงนั้นไม่มีแล้วไม่มีความลับไม่มีความสงบไม่มีความเงียบใดๆทั้งสิน้น แค่มันไปตัวเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเราเองเครื่องมือในการที่จะทําให้เราจมปลักอยู่กับบูหะซึ่งเป็นบริวารเป็นเพื่อนของตันหาอีกทีนึงเนี่ยเยอะมากถ้าเราแค่มาอาคารทำทีหนึ่งเนี่ยได้กวางเทศนอาจารย์ทุชีจรีบชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสามาธินิดๆหน่อยๆพอออกจากนี่ไป ยังไม่ทันถึงถนนเลย <S <S <S <S มันค่อยๆกลืนค่อยๆกินค่อยๆกลืนค่อยๆกินค่อยๆกลืนค่อยๆกินเ น, นี่นั่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้อ น, นิจจังในชีวิตประจําวันของเราก็ต้องดูอย่าเอาแต่ความหลงความหลงมันอาจจะทําให้เราดูดีเช่นว่า วิผมแต่งหน้าดูผมดูแผล่ดูรูปร่างดูน้ำหนักดูโน่นดูนี่ดูไปเรื่อยก็ปรับเพื่อให้มันดูดีแต่ในขณะเดียวกันเราอบรมจิตเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงด้วยอันิจจังในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องดูด้วยอันนี้พูดเรื่องนี้มันพูดง่ายเนะเพราะว่าหลายคนปรากฏแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องอบรมจิตของเราพระพุทธเจ้าว่าสมาธิงพิกเวภาเวทะภิกษุทั้งหลายจงอบรมจิตของเราจงจเจริญสมาธิของเราสมาธิคืออะไรสมาธิก็คืออาการที่จิตมันนิ่งและทําให้มองเห็นความจริงต่างๆได้อันนี้คือพื้นฐานเบสิกของมัน สมาธิก <mu> ็ค <conna> ือความที่จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งทําให้เราเห็นความจริงของทุกสิ่งได้ถ้าจิตไม่นิ่งไม่สามารถที่จะเห็นความจริงของทุกสิ่งได้เราเห็นความจริงของทุกสิ่งในขณะที่จิตของเราไม่นิ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์เข้าใจไหมในขณะที่จิตเราไม่นิ่งแล้วเราไปเห็นความจริงตามที่เราอ่านตามที่เราได้ยินเราคิดเอาคิดเอาตามความเป็นจริงเช่นว่าในขณะที่เหมือนขี้เมาต้องเข้าขี้เมาไหมขี้เมา สดเล้าเข้าไปสเปชตามริซันตีสัตว์ตั้งลายตั้งสิ่นจากตายกรึบเข้าไป <c oughs> มันการรู้เห็นความจริงในขณะที่จิตไม่นิ่งไม่สามารถละกิเลสได้ไม่สามารถถอดถอนอาสวะได้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้จะเรือนมักเมอนมักไล้ผลได้ ก็เหมือนขี่เมาสวดมนต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจเจริญต้องฝึกจิตฝึกจิตเพื่อให้เข้าสู่ความนิ่งนิ่งนั่นแหละเป็นสมาธิถ้าความนิ่งเกิดขึ้นที่จิตด้วยความนิ่งนั้นจิตสามารถเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้และความเป็นจริงของทุกอย่างไม่ต้องไปมองรูปพั้นสันฐานสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนความจริงของทุกอย่างเหมือนกันหมดคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ให้เห็นถึงความเกิดขึ้นและดับไปเห็นความจริงของทุกสิ่งแค่เกิดขึ้นและดับไปแล้วเราก็ฝึกจิตทำสมาธิของเราไปเรื่อยๆดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆดูลมหายใจเราไปเรื่อยเมื่อดูลมหายใจเราแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูความจริงของรูปและนามคือร่างกายและจิตใจของเรา <c ười> เวลามันเร็วมากเนาะแป๊บๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย ใบสองนี่อาา่อออออนะอืมอัตมาไม่เห็นผิดตรงไหนนะอัตมาไม่เห็นว่าผิดตรงไหนเพราะเทวดายังมาร้องเพลงให้พระเจ้าควังพระพุทธเจ้ายังหามเพลงให้เทวดาควังเทวดามาหามเพลงให้พระเจ้าว่าอุปนิยติชีวิตธปปรรมพมายงุง เชารู้บ e e an e ัตัสสานสันติตาณะเอตังพยังเอตังมระังเอตังพยังมระเดสันติเปกามานุปัญญานิกริยทสุกมาวหานินิเทวดาร้องพระพุทธเจ้าร้องตอบอุปนิตัศชีวิตตมัปปามายุงชรู้บันตัสสานสันติตาณะ เอตังพญงมารณ์เดซาเปกขมาโนโลกามิตรสังปชาเฮสันติเปโขแต่เพลงของพระพุทธเจ้าร้องทีไรแล้วสะเทือนขว้าสะเทือนดินความผิดหรือความถูกอยู่กับอะไรอืมอืม ถ้าเพเพลงนั้นร้องไปด้วยเราก็ต้องดูดูเรามองด้วยอะไรถ้าเราเป็นคนถือศีลแปดแล้วเราไปร้องเพลงเอาหน่อยแห้งของศีลก่อนนะเราก็จะผิดศีลข้อที่เจ็ดมันแม่นจริงๆนะใช่ยังไหมมาดแม่นจริงๆเลยถ้าเราถือศีลแปดร้องเพลงเราก็ผิดศีลข้อที่ และทำให้ศียงข้อที่สามด่างพร้อยถ้าเราถือสีห้าเราร้องเพลงผิดไหมไม่ผิดอืมไม่ผิดฮ ะ, ะ, ะก็อยู่ที่ในขณะนั้นร้องด้วยอะไรฮะไปร้องต่อสีห้าหรอ แล้วทีนี้ <c oughs> ถ้าเราถือศีลสิบร้องเพลงก็ผิดศีลข้อที่เจ็ดถ้าถ้าเป็นพระร้องเพลงก็ผิดศีลข้อไหนอ่ะ <c oughs> มีเจ็ดด้วยเหรอพระฮะ เพลงถ้าเรามีการมัวเมองลุ่มหลงมากพระเจ้าเรียกอบายมุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมถ้าเป็นเพลงที่ร้าวโยนโลกียนะเพราะว่าไอ้ไอ้นี่กันตะอิตตะกันตะอิตะมนาประรูปิยะ รูปยะปัสสะรูปยะปัสสะสมิตสมัิตะราโครัจยาหมายความว่าอะไรที่มันโน้มโน้มหนาวหนาวน้มโน้มหนาวภาษาไทยแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องมันได้แต่บาลีนี่แหละน้มนนาวให้เกิด กัะคือความปรารถนาความน่าใคร่ความน่ารักความน่าชอบใจความเป็นที่รักความยั่วยวนชวนให้กำหนัดหลงไหลอันเนี้ยมันเป็นทางแห่งหายยนะเพราะอะไรเพราะการกระทำดังนี้มันก่อให้เกิดอกุศลวิตกที่ชื่อกา ม, มาวิตกจิตจะมก มุ่นหลังไหลคร่ำครวนเพอ้อหาคิดออกไหมคิดไม่ออกนึกภาพคำว่าโรแมนติกนะนึกภาพคำว่าโรแมนติกนึกออกยังถ้านึกไม่ออกอีกนึกภาพว่าทำไมไอ้หนุ่มสาวมันชอบไปบอกรักกันแถวริมทะเลแถวน้ำตกเพราะอะไร เพราะอิทธกันตะมานาปะรูปิยศะนี่แหละสมะไอราคะสมาฮิตารชยานี่แหละเพราะมันเกิดภาวะของความน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าชอบใจอันเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้เกิดความกำหนัดทั้งหมดนี้ละเอียดอ่อนมากรวมกันแล้วเป็นกรร ม, มวิตกขมเนี่ยเพลงที่ร้องกันนะ ต้องดัดแปลงต้องแต่งต้องใสอารมณ์ต้องมีอินเนอร์ต้องอ้าในอันนี้อะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปใช่ป่าวเออโอยแล้วก็ต้องมีการบังคับเดี๋ยวนี้จะประกวดร้องเพลงนะนอกจากเนื้อหาแล้วเสียงความถูกต้องตัวโน่งตัวนตต้องดูอินเนอร์ต้องดูอารมณ์คือยังไงซะก็แล้วแต่มึงต้องเช็มของอกุศลลาวิตกะ ไปยืนทื่อๆพุโทโธพุโทโธพุทธโธแล้วก็ร้องอ่าใช่ไหมไปทื่อๆไปยืนพุโทโธพุโทโธเสร็จแล้วก็ร้องเพลง <c oughs> เขาเรียกไม่มีอินเนอร์ไม่มีอารมณ์ร้องไงเพราะตายก็ไม่ชนะใช่ป่าอืมเพราะฉะนั้นถามว่าร้องเพลงเนี่ย <c oughs> ถ้าเราในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ควรอืมไม่ควร มีครั้งหนึ่งพระโคิยะเดินตามหลังพระพุทธเจ้า เ, เดินตามหลังพระพุทธเจ้าในขณะที่เดินไปเดินไปพระพุทธเจ้าตอนนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติที่แท้จริงถือบาตรเดินตามหลังไปในระหว่างที่ถือบาตรเดินไปเดินไปไปเจอไปเห็นสวนลำธารเป็นสวนป่าย่อมๆเกิดรู้สึกโอ้โหมันเกิดมนโนรมชอบมากอยากที่จะไปปฏิบัติตรงเนี้ย อยากจะไปปฏิบัติตรงป่าละเหมาะตรงที่สายทานมีลำน้ำใสๆตรงนี้ดูแล้วมันมันรื่นรมเหลือเกินก็เลยตัดสินใจไปบอกว่ า, า, พ, ร พ, รราพระเจ้าข้าแต่พระองค์พูดเจริญทรงถือบาตรเองเถอดพระเจ้าค่ะดูแกพระเจ้าว่าโบกียะตาตคตไม่มีใครมีแต่เธอเท่านั้นเธอไปกับตาตคตก่อนเถอไม่ได้พระเจ้าค่ะ พระองค์โปรดถือบาตรรับบาตรหน่อยทําไมเล่าโมคิยะหมอมฉันจะไปปฏิบัติทอจะทําจิต ภ, ภาวนาตรงโ น, น้นไปเจ้าค่ะได้ที่เหมาะแล้วพระเจ้าบกคิยะเธอช่วยถือบาตรไปให้เราก่อนจะเย็นๆพระองค์ได้ที่ระเจ้าค่ะพระองค์บรรลุสัมโพธิญาณถึงที่สุดแล้วแต่หมอมฉันยังไม่ถึงไหนเลยพระเจ้าค่ะขอพระองค์ช่วยถือบาตรแล้วเดินไปก่อนหมอมฉันจะไป เมื่อพระพุทธเจ้าบอกบกิยะเอ้ยสรุปความทิ้งพระพุทธเจ้าไปเสร็จก็เดินเข้าไปถึงย่ำเข้าไปที่ลำธารมันชอบมาถามนี่ว่าจะพาภาวนามันต้องมาเล่าเรื่องนี้อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปถึงเดิน <c oughs> ลำธาร <c oughs> เดินไปที่ลำธารเอาไปไปลำธารกัน เดินไปที่ลำธารเดินไปถึงมันเกิดความร่มรื่นชื่นใจเรียกว่ารมณิยสถานพอร่มรื่นชื่นใจจิตก็เกิดอาการสวยความแช่มชื่นใช่ไหมจิตสวยความแช่มชื่นจิตที่มีอวิชามีโมหะมีกามาสวะอยู่เนี่ยพอมันเกิดความร่มรื่นชื่นใจเกิดความแช่มชื่นขึ้นมาอะไรเกิด ก, กามวิตกเกิดทันทีเลย น, นั่น เขาจึงน <t ose 2> ิยมไปบอกรักกัน <par> ที่ริมน้ำริมทะเลตามธรรมชาติเพราะอกามาวิตัวเกิดปั๊บบวขียะเป็นไงเนื่องจากว่าตัวเองเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเดินตามหลังพระพุทธเจ้าแล้วใกล้ชิดกับพระมหาเทระที่มีทรงภูมิรู้ภูมิธรรมสูงสูงพอเห็นอาการดิ้นรนอย่างนี้กำจัดไม่ได้รู้แล้วแหละว่าโอยทไมมันเป็นอย่างงี้ ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าเข้ามาสัตว์ว่าดูโบกขียะเอยพันดนังจะพลังจิตตังตุรักขังทุ น, นิวารายังว่าจิตเนี่ยมันกลับกรอกดินรนรักษายากห้ามยากเป็นอย่างนี้ ได้สติหันมาดูความดิ้นดนความกับกรอกของจิตตัวเองจึงได้ทำถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นไงศึกศึกหมดเลอาการนี้คือศึกหมดตาทีขาหมดเพราะมันเป็นมวลทินต่อพรหมจันรย์ถ้าอยู่ไปก็เป็นพิษุหลวงโลก <c oughs> นั่นไม่จำเป็นจะเป็นเล่นกับมันถ้าเราคิด ถ้าเราเกิดความรู้สึกเอ้เราไปร้องเพลงเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดเนาะถ้ารู้สึกอย่างนี้นะอย่าไปร้องไม่ต้องร้องแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นกรรมวิตรกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันมีลักษณะที่กันตะอิทธะมันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจ อันเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดละเอียดอ่อนมากเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรานอกจากคาถาห้าบทที่ว่ากันเมื่อตอนต้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมันพิ จ, จารณาบ่อยๆพระเจ้าว่าอาสุพานุปสิ่งวิหรันตังอินทรีโยสุสุสังวุตังก็คือว่าให้พยายามอยู่กับความเป็นจริง คืออารมณ์อันไม่งามเป็นปกติไว้รู้จักไหมอารมณ์อันเป็นจริงที่ไม่งามเป็นยังไงอินทรีย ส, สุสังุตังและก็สํารวมอินทรีมัตตัญญุตาจะพัตสมมิงรู้จักประมาณในอาหารการกินอารัฐะวิริยังคือให้และก็ปรารพความเพียรบ่อยๆ ปราลบความเพลินเมื่อรู้สึกตัวก็ทําความเพียรเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ทำความเพียรเรียกว่าปรารบความเพียรบ่อยๆถ้าทําอย่างนี้ตังเวนปะสหตีมาโรมานจะรังควานเราไม่ได้อ ม, มันรังควานไม่ได้แต่ถ้าเรามัวแต่ลุ่มลหลงไหลอยู่กับอารมณ์อันงามเป็นปกติแล้วในที่สุดมานก็จะรังควานเราได้จิตที่ชุ่มแช่อ ย, อยู่กับคําว่างามงามงามงามอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่เป็นพโพรง เจอลมมากระทบนิดหน่อยมันก็โค่นแต่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราอยู่กับอารมณ์อันไม่งามเพราะมันเป็นความจริงส่วนอารมณ์อันงามมันเป็นความเก๋ไม่ใช่ความเท็จนะมันเป็นความเก๋อารมณ์อันไม่งามมันคือความจริง